มันโดยรูกศักแปลว่าอย่างนั้นเรื่องอธิษฐานเนี่ยความจริงเราได้เห็นความสำคัญกันแล้วนะครับทั้งในทางโลกทางธรรมในทางธรรมเราเห็นมานานแล้วแล้วก็เห็นในทุกระดับชั้นทีเดียวส่วนในทางโลกนั้นเรามาศึกษากันในทางเรื่องของจิตเรื่องของความคิดเราก็เห็นว่าเรื่องของการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่เราแปลกันเป็นภาษาไทยว่าการอิสานจิตนั้นเป็นเรื่องของการแนะนำตัวเองคำว่าแนะนำตัวเองนั้นความหมายบอกชัดเจนว่าไม่ใช่คนอื่นแนะนำไม่ใช่คนอื่นควบคุมไม่ใช่คนอื่นชี้แนะแต่เรานีแหละเป็นผู้ที่ชี้แนะตัวเองเพราะฉะนั้นโดยเฉพาอะอยิง่งชาวตะวันตกเนี่ยเขาเห็นว่าคนเราเนี่ยถึงไม่มีอะไรเลยมือเปล่า แต่คนคนนั้ น, นเริ่มต้นที่จิตอธิษฐานจิตบอกตัวเองทุกวันสมมติว่าอยากจะรวยทุกๆุกคืนก่อนนอนทุกๆเชา้าตื่นนอนอธิษฐานในใจและยิ่งพูดดังๆยิ่งดีคว่าข้าพเจ้ า, าจะรวยข้าพเจ้ า, าจะรวยทุกๆวันนะการจะให้เขาใครก็ได้ยิงอะไรกันทีหาว่าบารับรองเลยว่าคนนั้นจะต้องรวย เพราะอะไรเพราะคนที่มีความปรารถนาอยู่ในใจเนี่ยในบทอธิบายแบบว่าหลังว่าไอ้กลไกของความสําเร็จเนมันจะเรียงตัวทํางานของมันเองนะจะทำให้คนที่มีความปรารถนาอะไรอยู่ในใจนั้นไอ้กระบวนการของความสําเร็จเนี่ยมันจะทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติเราสังเกตได้ว่าถ้าคนมีความต้องการใรเกิดขึ้นเราจะมองซ้ายมองขวาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราพบ เราเห็นสิ่งที่จะสนองความสําเร็จของเราในทุกๆเรื่องไปไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามถ้าคนคนนั้นยังไม่ทิ้งความปรารถนาเขาก็จะเดินไปสู่ความสาเร็จอย่างแน่นอนนี่เป็นบทอธิบายอย่างฝรักทางพระนั้นเราก็ยอมรับในหลักอันนี้ด้วยแต่ทางพระทางพระพุทธศาสนานั้นเรามีบทอธิบายที่แยบยนต์กว่านี้มากคือของฝรั่งเนี่ยเรา พูดกันอย่างเป็นสัมนวนพระก็ว่าอาธิษฐานของหลังนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามหรือความเพียรนะแต่ว่าพื้นฐานของความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ยืนยันว่าการ อ, อธิษฐานที่จะได้รับความสำเร็จต้องอยู่บนพื้นฐานของอะไรหลายอย่างและอย่างที่สำคัญประการหนึ่งที่ฝรั่งมาได้พูดก็คือบุญ น ะ, ะบุญเนี่ยเป็นตัวฐานเป็นตัวฐานอันหนึ่งนะฮะความจริงน่ะบา ร, รมีทั้งสิธเป็นส่วนสำคัญทั้งสิ้นแม้แต่ความจริงในตัวเราที่มีอยู่เราก็เอามาใช้เป็นฐานในการอธิษฐานได้เอพยกตัวอย่างให้วังซาก่อนว่าแต อ, อย่างในชาดกที่ท่านเล่ า, ายืนยันเรื่องพลังของสัจจะบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีนันเป็นสัจจะที่ เป็นบารมีที่มีส่วนคล้ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานบารมีค่อนข้างจะมากและใกล้เกี่ยวเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างยิ่งตาท่านก็เล่านิทานชาดกให้ฟังว่ามีปลาปลาฟูหนึ่งฝนแรงมันจะต้องตายแน่ทีนี้หัวหน้าปลาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งสัตว์อธิษฐาน ด้วยอำนาจความดีที่ตัวเองได้ทำมีอยู่จริงในตัวเองขอให้ฝนจงตกลงมาเพื่อความหลุดลอดปลอดภัยของบรรดาปลาทั้งหลายที่อยู่ในสระอันมีน้ำกำลังจะแรงในอันใกล้นี้ด้วยถืดฝนก็ตกลงมาด้วยพลังอดีตานนะอันนี้ครับ เ, เ, เป็นตัวอย่างว่าถ้าใช้เป็นฐานหรือคนที่ทำบุญนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสยืนยันไว้ว่า ความปรารถนาของคนที่ทำบุญแล้วย่อมสาเร็จเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าที่เราบ่นกันว่าเรื่องของการอธิษฐานความอยากเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยใครก็อยากกันได้แต่ทำไมบางคนอยากแล้วจึงสาเร็จบางคนอยากแล้วไม่สาเร็จถ้าตอบอย่งางฝรหลังบอกคุณยังอยากสร้างความปรารถนายังไม่นานพอก็ว่างนันนะไม่แรงพอบ้างไม่นานพอบ้าง ต้องให้นานพอให้แรงพอแต่ถ้าตอบอย่างพระในแง่ของบุญท่านก็บอกว่าถ้าบุคคล น, นั้นได้ทำบุญและอธิษฐานโอกาสที่จะได้รับความสาเร็จนั้นเป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้เร็วกว่าคนที่ไม่ทำบุญนะเพราะนั้นอันนี้เราจะพูดกันในเรื่องวิธีการอาธิษฐานวิธีการเลือกคอาอธิษฐานแต่งคอาอธิษฐานแล้วก็โอกาสในการใช้คำอธิษฐานนะเอ่อ เรื่องของการอธิษฐานจิตเนี่ยเท่าว่าถึงบเบื้องต้นที่สุดในทางหลักการเรื่องนี้ท่านบอกว่าความจริงเราเนี่ยเกิดความคิดอะไรกันขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการอธิษฐานอยู่ในตัวแล้วการอธิษฐานอย่างนี้นะ่ะเป็นการอธิษฐานโดยปริยายคาว่าโดยปริยายหมายถึงเหมือนเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ความจริงคําว่ามันได้ตั้งใจนะมันมีความหมายที่อธิบายได้ว่าความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างความปรารถนาให้กับตัวเจ้าของความรู้สึกนั้นทุกๆความคิดยกตัวยอย่างเช่นคนโกรธแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือไปจากว่าตัวรู้ว่าตัวโกรธเขาสร้างความปรารถนาอะไรให้กับตัวเองในเพราะความโกรธนั้นหรือเปล่าโดยปริยาย ยังคนโกรธเนี่ยแปลว่าเขาต้องการอะไรครับต้องการความสุขต้องการความทุกข์ต้องการความเศร้าหมองหรือต้องการความปลองสสยต้องการความเจริญก้าวหน้าหรือต้องการภัยพิบัติให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและคนอื่นเห็นไหมว่าจิตเนี่ยในธรรมชาติของมันนะมันมีพลังอธิษฐานโดยปริยายเพราะนั้นเรื่องของกรรมที่ที่เราได้รับวิบากตอบสนองเนี่ย ความจริงมันก็เป็นรูปของการอธิษฐานโดยปริยายคนที่ไปรักของคนอื่นไปทำลายของคนอื่นนั่นแปลว่าเขาต้องการให้ตัวเองพูดภาษาโบราณอาจารย์ว่าชิบหมายสร้างความยุ่หมายกับตัวเองโดยปริยายแต่เจ้าตัวไม่ได้คิดแต่ที่เป็นอธิษฐานที่ออกมาเป็นรูปของการบริหาร การอธิษฐานจิตนั้นจะต้องมีความคิดอื่นเข้าไปควบคุมนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเราให้ทานนั่นน่ะแปลว่าเราอธิษฐานโดยปริยายว่าขอให้เราจงมีทรัพย์สินมีพวกรสมบัตินะเราให้ความอ่อนน้อมนอบ น, น้อมแก่ผู้อื่นนั่นแปลว่าเราอธิษฐานโดยปริยายว่าขอให้เรานั้นจงเป็นผู้มีเกียรติจงเป็นผู้ดีเกิดในตระกูลสูงเป็นต้นใช่ไม่ใช่ อย่างนี้เป็นไปโดยปริยายแต่ถ้าคนที่รู้จักบริหารการอธิษฐานแล้วก็จะมีความคิดอีกส่วนหนึ่งที่เจ้าตัวน่ะรู้ว่าตัวต้องการอะไรจากการกระทำวิ่งนี้ก็อธิษฐานจำทับลงไปว่าด้วยความดีที่ข้าพระเจ้าทำนี้ก็ดีนะมีอ้างบุญนะอ้า ง, งสิงศักดิ์สิท์อ้างอะไรอะไรมีวิธีอ้างอีกหลายอย่าง ่าหรือด้วยอํานาจพุทธคุณธรรมคุณหลังจคุณขออนุภาพแป่งปุญญาโุภาพก็ดีธรรมานุภาพก็ดีสังขารโนภาพก็ดีกุทธานุภาพก็ดีจงเป็นปลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงถึงความล้มเด็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้นนแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานกํากับไปกับสิ่งที่ตัวได้ทําเอาไว้ในขณะนั้นหรือมีอยู่จริงในขณะนั้น เพะันอย่างนี้ไอ้ตัวที่ไปกํากับไปอ้างความดีที่มีในตัวเองมีในบุคคลอื่นแล้วก็สัมแดงความต้องการความปรารถนาลงไปชื่อว่าเป็นการบริหารการอธิษฐานแล้วเรื่องอธิษฐานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญครับผมผมอยากจะตอบก่อนเลยว่าบางคนนะบอกว่าทาบุญละหยาอธิษฐานอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะเมื่ออธิษฐานแล้วมันเป็นกิเลส มีบางค น, นแสดงความเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอธิษฐานแล้วนั่นเป็นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นทําแล้วทําทํำไปไม่ต้องไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าเพว่าเราทําอะไรเนี่ยถึงไม่อธิษฐานมันก็ได้อยู่แล้วจ ร, จริงไหมฮะจริงไหมว่าได้อยู่แล้วจริงอ่ะจริงว่าได้อยู่แล้วเราไม่เถียงตรงนี้แต่ถ้าอธิษฐานลงไปเนี่ยสําหรับคนอธิษฐานไม่เป็นนะมันอาจจะทําให้ บุญที่ทำนะกำลังตกได้ยกตัวอย่างเช่นใส่บาตตอนเช้าอาธิษฐานเ อ, อากอยดูหวยเนี่ยกูคอยทั้งวันที่1หนื่อบุญตกหรือบุญขึ้นบุญตกอย่างนี้เขาเรียกว่าอาธิษฐานไม่เป็นนะแต่ถ้าอาธิษฐานเป็นนั้นจะไปเสริมพลังของบุญไปเสริมเพิ่มพลังของบุญที่ทำให้เกิดความสาเร็จในเป้าหมาย ที่ชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างว่าเราสุขภาพไม่ดีก็ไปสร้างโรงพยาบาลแล้วก็อธิษฐานในเพราะบุญที่มันเข้ากว่าเข้าตัวเนี่ยว่าขอให้บุญที่ได้ทำด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสุขภาพดีหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่อย่างนี้นะฮะไออย่างนี้ก็ทาให้บุญนั้นมีน้าหนักชัดเจนขึ้น และการในฐานนั้นยังสามารถที่จะเรียกว่าบิดเบนทิศทางของบุญที่เราทำอย่างหนึ่งแต่เอาไปกอ่อให้เกิดความสำเร็จในทางดังใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเราให้ทานเนี่ยทิศทางของบุญโดยตรงเนี่ยอ่ะก็ทำให้เราได้อันสงอย่างที่ทานจะพึงให้เรารักษาศีลเราก็จะพึงได้อเนสงจากศีลจะพึงให้เกิดความสาเร็จ เราเจริญภาวนาก็ได้อานิสงส์จากกุศลจากภาวนาที่จะพึงก่อให้เกิดความสาเร็จแต่ถ้าหากว่าเอาอธิษฐานเข้าไปควบคุมพับเนี่ยครับแม้การให้ทานก็ทำให้บุคคลนั้นสามารถที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานบรรลุได้โดยผลันได้เอา้าไม่ต้องดูอื่นไกลอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ทาน ให้บุตรให้ปรรยาเป็นฐานให้อวัยวะเป็นฐานให้วัตถุภายนอกเป็นฐานแล้วท่านปราดอรทานปราถนาอะไรรู้ไหมครัปราถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปราถนาเป็นน่งเป็นนี่อย่างที่ชาวโลกต้องการไม่ท่านไม่ต้องการแต่ท่านปราถนาอยากอยากเป็นประุูตเจ้าอยากจัดจารุแล้วท่านก็จัดจารุได้จริงๆการจัดจารุนั้นอมีทานะบารมี ทั้งสามชั้นเป็นปัจจัยทำให้ท่านได้ถึงความสัจรุ้เป็นพระสมณะธรรมจิตเจ้าเพราะฉะนั้นเราที่เราทำทานสมมุติว่าเราอยากจะเจริญในธรรมในทางการปฏิบัตินะฮะปฏิบัติสมาธิปฏิบัติวิปัสนาหรือบางคนก็ปราณนาในทางการบวชว่าทายังไงถึงจะบวชได้อย่างมีจิตพิสมัยในฝะเหลืองตลอดระยะเวลาอันยาวนานหรือถ้าบางคนเป็น หลักที่จะแสดงธรรมะเทศธรรมะ ก, ก็แล้วว่าคิดว่าทํำยังไงถึงจะแสดงธรรมะให้คนเขาฟังทีสองทีแล้วบรรลุมรรคบรรลุผลกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งความปรารถนาอย่างนี้นะสําเร็จได้แม้แต่การอธิษฐานด้วยการอธิษฐานด้วยการให้ทานเนี่ยเราให้ทานใส่บาตรตอนเช้าทุกวันทุวันเนี่ยอธิษฐานหาพวกนี้เราแสดงธรรมทุกๆวัน แสดงธรรมนีแสดงเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุธรรมได้โดยเลยหลักธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าคนที่ทําบุญอย่างนี้เขาอาจจะแฝงความซ่อนเร้นเอาไว้เมื่อเขาได้แสดงธรรมแล้วว่าขอให้บุญที่กัปเจ้าได้ทํานี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กัปเจ้าบรรลุทําได้โดยพานเมื่อไปปฏิบัติสมาธิปฏิบัติตวิปัสสนานี่ก็แอบแอบอธิฐานอย่างนี้้นเวลาที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยเขาก็อาจจะบรร บรรลุได้เลยวกว่าคนที่มุธรรมไม่ฟังเทศฟังตามไม่คำนึงถึงอย่างอื่นนะอาจจะแซงหน้าก็ได้เพราะว่าคนนี้เขาอธิษฐานอยู่ในใจแม้เขาจะทำบุญกิญาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เราได้ข้อคิดว่าเราทำบุญอะไรอยู่แม้อในนใจเราอาจจะคิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำอย่างนั้นแต่เรายังไม่มีโอกาส ก็ขอให้เราอาธิษฐานจากบุญที่เราทำที่เราทำได้ในตอนนั้นขอให้เราเนี่ยเมื่อได้มีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเรายังไม่มีโอกาสเวลานี้ให้ได้บรรลุได้โดยไวให้ทำได้โดยสะดวกแต่ไม่ต้องไปนึกว่าขอให้แซงหน้าคนที่มันว่าเราว่ามัวแต่ถอดกระถิมพ์มาอยู่นั่นแหละ ดักดานอยู่งั่นแหละไม่เห็นไปทํากร็รมาฐานสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> หรือมัวแต่ห่วงโลกอยู่นั่นแหละไม่บวชสักทีเนี่ยถึงคราวที่เขาบวชถึงคราวที่เขาไปปฏิบัติสักนอา จ, จะไปได้ไกลกว่าก็ได้เพราะเขารู้จักใช้บุญที่เขาทาอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์ในความสําเร็จขั้นสูงนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะมองกันไม่เห็น เราอาจจะมองกันไม่เห็นเพราะฉนั้นวิธีที่เราจะพูดแก่คนอื่นเนี่ยครับถ้าเราเห็นใครคนอื่นเนี่ยเขายังส่งลูกส่งเรียนส่งลูกเรียนนะยังบริหารบริษัทหน้าที่การงานแต่ว่าเขาเอาธรรมะไปใช้เขายังไปประพฤติทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เราก็บอกถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการธรรมะในส่วนสูงกว่านั้นเนี่ยเราก็เกี่ยวไปตําหนิเขา บอกว่าคุณต้องอธิษฐานเอาไว้จากบุญที่เขาทำเท่าที่ามได้แล้วเนี่ยขอให้เราได้รับความสำเร็จโดยการเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเขาก็จะบรรลุได้โดยไวนะฮะอันนี้ในสมัยก่อนๆนนะั้นมีตัวอย่างมาแล้วทางนั้นอย่างที่ผมได้พูดถึงนี้เพราะนั้นจนึงพูดได้ว่า คนที่อธิษฐานเรื่องพลังอธิษฐานที่เป็นประโยชน์อย่างโดยย่อที่สุดนะครับคือหนึ่งเราได้เชื่อว่าควบคุมตัวเองเอาตัวเองเป็นที่พึ่งพึ่งตัวเองแล้วก็สองเรากำหนดทิศทางเดินของตัวเองเอาการอธิษฐานนั้นไม่ได้ถึงกับหมายความว่ า, วา กูอธิษฐานจะต้องอธิษฐานไปนิพพานเท่านั้นลักษณะทิศทางของการอธิษฐานมีหลายขั้นนะอะ่พูดแถมตัวนี้ซะก่อนว่าการอธิษฐานแม้แต่อิทที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งภัยที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ควรอธิษฐานนี่ไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพาน ยกตัวยอย่างเช่งไฟกำลังไหม้ไหมบ้านหรือกำลังลุกลามมากระไไหมบ้านเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องอธิษฐานในตอนนั้น เ, เรื่องอย่างนี้ก็มีในชาดกมาอีกเหมือนกันในอธิษฐานบา ร, รมีของพระบุตรเจ้าพระบุตรเจ้าได้ทรงเกิดเป็นนกคุ้มชาติหนึ่งลชาติหนึ่งเกิดเป็นนกอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นน่ะ พ่อแม่ไม่อยู่ไปหาเหยื่อที่ไหนก็ไม่รู้ตัวก็เปียกยังอ่อนอยู่ขนยังไม่ขึ้นขึ้นล้มแห้ ม, ม, ม, ม, มแต่ยังใช้พิษไม่ได้ไฟกำลังไหม้ป่าท่านก็ตั้งสัจจะอันนี้เป็นสัจจะบารมีนะไม่ได้ทำความดีอะไรอื่นเลยอ้างความจริงเอามาเป็นเครื่องอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าขณะนี้มีไฟกำลังปรากฏเฉพาพหนาพ่อแม่ของข้าพเจ้ามีอยู่ก็ไม่อยู่และปีกสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่ก็ยังบินไม่ได้ด้วยอำนาจความจริงที่ได้อ่างนี้เป็นสัจจ์ไฟจงไปทางอื่นพระโพธิสัตว์ิษศาลอย่างนี้ พอท่านตั้งสัตว์อธิษฐานไฟก็ถูกลมพัดไปดังอื่นไหลางอื่นท่านก็เลยไม่ถูกไฟครอบอย่างนี้เรียกวออธิษฐานเมื่อภัยเกิดขึ้นเมื่อภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่เรารู้นี่ภัยจะพอ น, น้าปรากฏเราก็อ้างบุญอ้างกุศลแล้วก็ตามมาอธิษฐานสู้กับภัยนะแล้วมีความจริงอันหนึ่งว่าถ้าสิ่งที่เรานาเอามาอ้าง <c oughs> ยกตัวอย่างอ้างบุญนะเป็นสิ่งที่เป็นบุญกิริยาสูงเท่าไหร่ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายจับรัรดันทีชัดเจนมากขึ้นตอนนั้นอันนี้ผมขออ้างถึงอย่างคนที่ทำฤทธิ์เนี่ย <c oughs> คนที่ทำฤทธิ์ทำอภินิหารในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะ ไม่มีฤทธิ์ใดเลยที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้โดยไม่ได้มีอดีฐานจิตฤทธิ์หมายถึงฤทธิ์ในทางอภิญญานะเว้นแต่แตบุ ญ, ญ่อิทธิอะไรตายนั้นแล้วเวลาที่ <c oughs> พระภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็ตามจะทำอภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นท่านจะเข้าฌานก่อนนะฌานนี่เราถือว่าเป็น ภาวานาใหม่กุศลเป็นกุศลชั้นสูงอันนี้เราไปพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อเข้าฌานเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตเข้าฌานได้ที่ถึงฌานสูงสุดแล้วนะออกจากฌานถอยออกจากฌานอธิษฐานจิตอาธิอธิษฐานเนี่ยไม่ได้อ้างว่าฌานเ อ, อ๋ยฉันเข้าแล้วขอฌานจงเป็นบาลวะไม่ต้องอ้างอย่างนี้เพราะว่าพลังมีอยู่แล้ว เหมือนกับเราทำบุญแล้วมันมันรู้โดยปริยายนะพอออกมาก็อธิษฐานตอนนั้นจิตมั่นคงมากอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าหายตัวได้ก็จะหายตัวได้อธิษฐานว่าขอให้น้ำจงแข็งน้ำก็จะแข็งขอให้กำแพงทึบๆในจงโปรงก็จะปร่งอธิษฐานอะไรก็ได้ความสำเร็จจะเกิดขึ้น อย่างเนี้เรยกว่าเป็นอธิษฐานต่อจากการทําบุญทีนี้ถ้าอย่างเราเอาไปใช้ได้เนี่ยผมผมอยากจะให้ทุกคนไปพิสูจน์นะผมคิดว่าผมพิสูจน์มาพอสมควรแหละเราหมากเดี๋ยวจะหม่นใส่เวลาเราทําทานเนี่ยเวลาจะอธิษฐานให้เกิดความเลยต้องทําต้องทํานานหน่อยนะฮะทำเราอธิษฐาน ต่อเนื่องต่อเนื่องมื อ, เ, อเราต้องการอะไรบางอย่างจะให้ทานอดิษฐานให้ทานอดิษฐ า, านาาเดี๋ยวเล่าให้เห็นเป็นชัดๆหน่อยก็ยอย่างผมนี่เมื่อก่อนสุขภาพแย่มากเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดีขึ้นอย่างชนิดที่ผมเคยรด้วยผมจะต้องเอาชนะมานได้ได้หลายคนที่เป็นโรคคล้ายๆผมเนี่ยอย่างยังตัวรักตัเลอยู่บางท่านก็รู้ว่ายังอยู่โรงพยาบาลพวกในทางศาสนาด้วยกันเนี่ยนะ เออผมนะไปได้ข้อคิดมาจะกเจก้าคุณหนอท่านก็กลัวว่าไม่ดีเหมือนกันท่านก็คิดว่าท่านจะต้องเอาชนะให้ได้เราก็คิดเราจะาชนะให้ได้เราก็ทําบุญให้ทานแล้วก็ดีฐานในฐานแล้วมันดีขึ้นมาโดยลําดับเป็นขั้นขั้นขั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องหายจากไอ้ความป่วยไข้ที่มันเป็นโรคประจําตัวอยู่วันใดวันหนึ่งถึงเวลานี้เหลืออีกเก้าเดียวจะหายแล้ว ในความรู้สึกนะียมันบอกว่าอย่างนั้นแต่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราทําทานปล่อยนอกปล่อยปลาสร้างโร็องเฮบานซื้ออยู่ซื้อยาใส่บาดเราไวบ้ระเวลาใส่บาดนะผมใส่บาดอย่างเช่นใส่บาดยาเอายายาหอมบ้างยามองบ้างไม่รู้ว่ายาดมบ้างที่ดูดีๆเราไปเจอแล้วรู้สึกดีเราก็ซื้อไปใส่บาดและอธิษฐาน แล้วก็ <c oughs> มันก็สะสมสะสมไ้แล้วรู้สมันดีขึ้นแต่ต้องคํำบ่อยและค่อนข้างนานนิดหนึ่งอย่าใจร้อนแต่ที่อัศจรรย์มากก็คือการเจริญภาวนาคือการทำกรรมฐานการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเราไปทำและอธิษฐา น, นเห็นผลทันใจดีแต่เวลานี้ก็ชักแยกไม่ออกว่ามันอะไร ไม่รู้ว่เป็นวิบากของอะไรแต่ว่ า, เ, าเรารู้สึกได้เลยนะฮะว่าเวลาที่เราทํากรรมฐานความจริงกรรมฐานนี่มันเสริมความสุขอยู่ในตัวเองนะพอเราเพิ่มอธิษฐานลงไปเนี่ยนะฮะจะรู้สึกก็สบายทันตาเห็นเลย เ, เราจะเจ็บจะปวดอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามนะถ้าเราทํากรรมฐานเสร็จแล้วแม้ยังไม่ออกจากกรรมฐาน เราอธิษฐานลงไปเมื่อจบรอบของการกระทําบอกขอให้หรือก่อนการกระทําก็ตามนะได้ทั้งก่อนทั้งหลังเมื่อเราทําสิ่งนี้เราขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกเลยแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเลยว่าที่เอพระสมัยก่อนอย่างพระกุธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่านจะเข้าภาวนาใหม่ นะท่านก้าวนาใาม่และท่านจะอธิษฐานที่เราเรียกว่าอาเรื่องอาพาธรื่ อ, อาพาธและท่านทำได้ผลจริงๆออกมาแล้วก็สบายเหมือนหายจากโรคอย่างเห็นดันตาดัะนั้นอันเนี้ยฮะเราได้เคล็ดอันหนึ่งว่าเมื่อเราทำบุญทำกุศลเนี่ยพยายามทำให้ครบคือทานศีลภาวนา และเราต้องการอะไรเราก็อธิษฐานลงไปเราจะได้บุญสูงเท่าไหร่ยิ่งได้เร็วเท่านั้นมีฝากพิสูตรบางคนก็ไปสูตรแล้วพิสูตรมาเรียบอันนี้คือคืออ่าเป็นเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เป็นตัจจะเป็นความจริงอย่างหนึ่งทีนี้อ่าในบา ร, รมีสิบเนี่ย เราเราพูดตรงนี้กันนิดนึงก็ดีก่อนที่จะเลยไปบารมีสิบอย่างนั้นมีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าความสำเร็จเบื้งสูงสุดของชีวิตเนี่ยคือความเป็นพระพุทธเ จ, จ้าจูงไม่ถูกความสำเร็จข้างในนะไม่ใช่ความสำเร็จข้างนอก <c oughs> ความสาเร็จข้างนอกความสำเร็จเพราะได้เงินได้ทอง ตัวเราจะไม่รู้ว่าจะเป็นไงช่างของบางคนอธิษฐานไม่ไม่ครบมีที่ดินจริงมีที่ดินมากจริงแต่ป่วยผมยังนึกว่าถ้าเขา ย, ยกชนดทั้งตู้ให้ผมแล้วยกโลกที่เขาเป็นให้ผมด้วยผมไม่เอาครับโลกฤทธิ์ดวงตะวันอย่างรุนแรงจะนั่งสบายยี่นั่งไม่ได้เวลาจะนั่งต้องทำไห้ที่นั่งที่กลางกลางโบนะแล้วก็นั่ง แล้วจะกินอะไรแหมอยากจะกินใจทับขาแต่กินไม่ได้พอพอนึกอยากจะกินเขานึกถึงทวารหนักข้ากินไปลงหมดอร่อยเลยแล้วเวลาถ่ายอุจจาระคลังน้ยทรมานไปถึงเที่ยงเลยตอนเช้านะแต่จะเรียกว่าตื่นขึ้นมาวอนนึกถึงจะเข้าวของน้ำแหมใจคอหวเทียว เอาไหมให้ยกโหนดให้ตัตและยกลูกให้ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามหายนะเราไม่เอาอะโหนดช่วยไม่ได้เลยเอาโหนดไปเช็ดก็แก่ดีบ ด, ดีด่วนละวไม่ไหวพวกนี้ได้ข้างนอกแต่ข้างในไม่ได้ในทางสายตาเรียกว่าความสำเร็จข้างในหรือเป็นเป็นสูงสุดนะ และความสำเร็จภายในที่นำ้ำมัสูงเยี่ยมกว่าเพื่อนก็คือการได้เป็นพระพุทธเจา้านัมรุพเทธเนี่ยท่านสร้างบา ร, รมีสิบบา ร, รมีสิบเนี่ยเราดูผลเผิน ะ, ะ, ะเหมือนกับว่าแยกกันมีทานศีลแล้วก็เนคข ม, มะปัญญา <c oughs> วิริยะสัจจาอธิฐาน เมตตาบารมีโอเบขาบารมีเรียกว่าบารมีสิเราจะเห็นว่าอาธิษฐานบารมีนั้นอยู่ในบารมีที่เจ็ดอยู่ในบารมีที่เจ็ดนี่จะเห็นว่าเอาไปใช้เพื่อกำกับ การแสวงหาโพธิญาณกำกับใจกำกับตัวของผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ทิ้งไม่ได้บารมีทั้งสิบเนี่ยความจริงเมื่อธิฐานเป็นูจญญาแล้วต้องสร้างทุกๆุกชาตินะทั้งสิบนะั่นไม่ใช่อันไดนหนึ่งนะแต่ในสิบนี้จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมนาะเป็นเอกเป็นเอกบางชาติมีฐานเป็นเอก เราเนืกอดัวตอนที่พระพุทธเจ้าลงบริจาคทานอย่างรุนแรงมากคือในสมัยที่เกิดเป็นพระเวสสันดรทานบารมีตอนนั้นท่านทำทานอย่างเดียวบารมีอื่นไม่มีหรือวิริยะไม่มีหรือมีฮะเพียนบุก ป, ป่าป่าดงปัญญาบารมีก็มีและอธิษฐานบารมีมีไหมมี ไม่งั้นท่านไม่อ้างบอกกับลูกเรากว่าลูกเอ๋ยชนขึ้นจากละศีลเถอะเหรือพื่อมาช่วย้าบิดาให้บรรลุโพธิญาณไม่ครบใช่ไหมฮ ะ, ะมีทานศีลนินคัมมะปัญญาวิทยาสัจจะอ่า อ, อะไรนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนาเออผงพงคัดมาไปอยู่กบเดียนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีตอนทำทานก็มีอธิฐานไปด้วยแล้วก็รักษาศีลมีอธิฐานทั้งหมดนอธิฐานต้องสิบไปในทุกๆชาติแต่ว่าในชาติที่ท่านทำอธิฐานและบารมีอันนั้นมุ่งทำเป็นกรณีพิเศษ โดยที่อย่างอื่นก็มีด้วยเราสังเกตว่าตอนที่ท่านอาธิษฐานบารมีพงโยกตัวอย่างชาดกเรื่องหนึ่งได้ทรงสวยประชาิเป็นสุนัขสุนัขป่าสุนัขจงจอกในตอนนั้นรพระเจ้าแนดินเมืองหนึ่งได้เกิดอาฆาตสุนัขทั้งเมืองอะะเจอสุนัขที่ไหนท่านสั่งให้ได้บูดกระจับฆ่ า, าหมดเพราะว่ า, ามีรถหลวงอยู่คันหนึ่ง ที่ใช้เชือกทำด้วยหนังสัตว์คือคงจะเป็นหนังวัวหนังควายนะเราคเคยเห็นไอ้แล้วก็ไอ้พวกหนังหุ้มบ่ อ, อะไรแต่ไรเนี่ยนะเอนก็สำเร็จจากหนังสัตว์มันก็มีสุนัขไปกโมยแทะกินท่านก็โมโหโมโหเลยพานหมดเลยครับไอ้สุนัขที่ไปกัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็ น, นสุนัขหลวงสุนัขของท่านนั่นแหละแต่ท่านไม่รู้ ก่นนึกว่าสุนัขตัวไหนก็ด้ฆ่าให้หมดจะได้ไม่มีสุนัขอื่นมาแท้หนังต่อไปก็ฆ่าไม่ทันหมดแล้วครับตอนนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทราบข่าวนี่เป็นในยาดกนะท่านก็เลยออกไปแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานถึงความดีที่ท่านได้ทำนะเพื่ออนุเคราะห์แก่สุนัข ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าอย่าได้ชิบหายเสียเลยเมื่อท่านอธิษฐานแล้วก็ทําให้พระเจ้าแผ่นดิ น, เ, นเกิดจิตเกิดความเข้าใจคือไปจับได้ว่าไอสุนัขที่มันแท้หนังกุ้มรถของท่านเนี่ยเป็นสุนัขของท่านเองท่านก็เลยจํานึกจิตเลยเลิกฆ่าสุนัขโดยไม่เลือกหน้ากันตั้งแต่บัดนั้นที่ก็เกิดจากสัจจะจากอธิษฐานทําให้ความเป็นจริงได้ปรากฏขึ้น <c oughs> เรื่องบารมีสิบนั้นไม่ไม่ได้แปลว่าทําชาติละเรื่องชาติละอย่างและเท่าที่สอบดูนะปรากฏว่าในบารมีที่เป็นอธิฐานบารมีโดยเฉพาะเนี่ยนะในห้าร้อยเรื่องท่านเล่าไว้แค่หกเรื่องที่เป็นอธฐานบารมีนะมีหกเรื่อง หรือหกชาดกและที่เป็นสัจจะบา ร, รมีซึ่งเป็นบา ร, รมีคล้ายๆเกี่ยวข้องกับอาธิฐานบา ร, รมีทั้งหมดมีอยู่เพียงเก้าเรื่องหรือเก้าชาดกนอกนั้นเป็นบา ร, รมีข้ออื่นอันนี้พูดถึงที่เป็นการทำโดยเฉพาะนะฮะไม่ใช่เป็นในลักษณะที่ผสมผสานไปกับ บารมีข้ออื่นๆอ่นอันนี้เป็นบารมีของพระกุฎเจ้าที่ท่านได้ทํำแล้วมีอธิษฐานเพราะนั้นเรื่องอธิษฐานเนี่เราจึงเห็นได้ว่าใช้ตลอดใช้ตลอดและใช้ในในหลายกรณีนะครับอย่างที่เราพลาดไม่ถึงเลยทีเดียวผมจึงอยากจะชี้ให้เห็นว่าในการอธิษฐานนั้นเราอธิษฐานเพื่ออะไรบาง เท่าที่สังเกตดูการใช้ในทางศาสนาเนี่ยการอธิษฐานนั้นอธิษฐานอย่างหนึ่งอธิษฐานเพื่อผู้อื่นคำว่าเพื่อผู้อื่นนั้นอาจจะเพื่อคนคนเดียวเพื่อสัตว์เดรัจฉานหรืออธิษฐานเพื่อคนส่วนรวมเช่นเช่นประเทศชาติวันเมืองอันนี้นะเราพบจาก คำอธิษฐานท้ายปากก่อนของพระคันธารจนาจารย์อัตรกราจารย์ทั้งหลายที่เมื่อท่านใช้ความเพียรพยายามในการแต่งอัตรกรถาแต่งดีกาต่างๆแล้วท่านจะทิ้งท้ายในการอธิษฐานแล้วก็สังเกตว่าอธิษฐานเนี่ยท่านจะอธิษฐานให้กับตัวเองด้วยและให้กับบุคคลอื่นด้วยผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูว่านันว่ายัางไงอย่างเช่น ในอัตถกถาเล่มหนึ่งชื่อว่สาสัทธมปกาสนีโดยพระมหานามเทระเป็นผู้แต่งอัตถกถาเล่ม น, นี้พอท่านแต่งอัตถกถาจบท่านก็อธิษฐานเอาเป็นความโดยสรุปว่าขอโลกจงบริโภครสธรรมของพระทศพลด้วยบุญนี้ ด้วยบุญที่พระเจ้ารสนาพระคมภีร์นี้ขอให้โลกหมายถึงสัตว์โลกจงถึงความสุขด้วยความสุขที่แท้จริงเบียดิฐานเอาอธิษฐานให้อธิษฐานให้ให้บุคคลอื่นมันเละอย่างนี้เรื่องอธิษฐานด้วยอํานาจหรือสอรคตด้วยเมตตาให้คนอื่นมีความสุข แฝ่ไปเรื่อยออันนี้เหมาะสําหรับหรือผูดอีกีว่าคนที่อธิษฐานอย่างนี้จะต้องเกิดเป็นใหญ่เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่หมายถึงเป็นพระเจ้าแผ่ดินก็ดีหรือเป็นเอศูนย์รวมใจของหมู่ชนก็ดีเพราะเป็นคนที่เผื่อแผ่แก บ, บุคคลอื่นอยู่เสมอและคนที่ทําเอ งานเกี่ยวกับคนอื่นอันนี้หมายถึงเป็นใหญ่แล้วเป็นใหญ่แล้วเช่นในทางการค้าเนี่ยทําการค้ากับบุคคลอื่นที่ต้องแผ่เมตตาให้กับคนอื่นโดยมากก็เป็นไปโดยปริยายคนที่ทําธุรกิจอะไรแต่บางทีเขามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทาในสินค้าที่เขาทาออกไปนั่นก็เป็นเมตตานหนึ่งมือกันแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้อง อธิษฐานให้คนอื่นด้วยว่าเราได้ทำคุณความดีอะไรเนี่ยอย่างคนเป็นพระเจ้าแผิตเนี่ยขอให้อนาพชชราชาั้งหลายจงมีความผาสุขหรือจงได้อะไรอย่างที่เราปรารถนาจะให้ได้ก็ตามเมอผมจะพูดรายละเอียดการหน้าอีพีถึงวิธีการให้อะไรแก่เขาเนี่ยว่าเราควรจะให้อะไรแก่เขาหรือควรจะอธิษฐานให้อะไรกับเรา อ, อีกเล่มหนึ่งเป็นอัตถกถาชื่อว่าสัตธธรรมปัจโชติกาแต่งโดยพระอุปเสนะเป็นอัตถกาถาที่แต่งอธิบายคำพีจุลนิเทศพระตรปิดกเล่มที่สามสิบทั้งเล่มท่านอาธิษฐานว่าขอชาวโลกจงได้ริมรถแห่งประสัทธธรรมของพระทศรลจงบรรลุถึงความสุข โดยไม่มีมนทินขออย่าต้องขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ต้องคบกับคนผ่านขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงพระริปิดกและขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมในสำนักของพระศรีอริยะเมตไตรดิธานธิษฐานให้ตัวเอง ก็มีทั้งคนอื่นทั้งตัวเองตอนนี้มาดูวิสุติมักวิสุติมักซึ่งแต่งโดยพระพุทธโกสาจารย์ในตอนท้ายประการท่านก็แต่งอีกเหมือนกันแต่งคําอธิษฐานว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงถึงความสุขเถิดขอมโนรสทั้งหลายที่ถึงความดีงามทุกๆอย่างของสัตว์โลกจงปลอดอันตราย สำเร็จโดยเลวพรานท่านปิฐานให้อันนี้ไม่ได้ปฏิฐานเอาน ะ, ะแล้วก็ในคำพีวชิระสารฐาสังหานี่แต่งโดยพระเถระนักปราชชาวลนาชื่อว่าพระรัตนปัญญาจาย์เมื่อต้นพุทธศตรวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่เชียงใหม่ องนี้เก่งมากท่านอาธิษฐานว่าอันนี้อธิษฐานให้ท่านเองนะว่าขอให้ท่านเนจงเป็นผู้ที่มีปรีชากล้าในทุกทุกพบและถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาขะปัญญาเป็นผู้มีวันนะงามและมี เสียงดีคือท่านคงจะห่วงเรื่องเทศนะกลัวจะไม่ได้โคสท์ปะมาณิกากับโลปปะมาณิกาเดี๋ยวฉหลานแล้วก็ไม่มีสองอย่างนี้เลยไม่ได้ภาหาในการเทศแล้วก็อธิษฐานต่ออีกส่วนหนึ่งว่าขอให้กบเจ้าจงเป็นผู้ที่เว้นห่างจากคนพานใกล้ชิดนักปราดผู้มีบุญ นี่คือท่านกลัวคนบานนะแล้วก็อธิษฐานให้กับสังคมโลกในแงโ่โลกว่าขอให้เจ้าผู้ครองบ้านครองเมืองจงปกครองอนณาประชาราษโดยธรรมขอฝนจงตกต้องตามฤดูกาลขอสัตว์ทั้งหลายจงประสบสุข โดยทั่วกันเพราะกุศลที่ขกัปเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้คือได้แต่งประกรณ์ในท่านจารีฐานอย่างนี้บางบางองค์เราก็เคยดอธิษฐานให้ศาสนามันคงอะไรอย่างนจะโดยมากจะมีใบบทอันนี้กเ็เอาแค่นี้นะยังมีอีกหลายทมพีอ่ะเอาก็รุ่นใหม่แล้วบ้างกระดับ น, นะนรุ่นใหม่คือที่พอเราจะรู้จักเอาอาจารย์โชก็แล้วกัน คนที่เป็นนักวิธรรมคงรู้จักอาจารย์โชอาจารย์โชนะเป็นพระพม่าที่เข้ามาเผยแพร่ตัวอศาสนาในประเทศไทยโดยการรองขอจากพระพิมลธรรมสมัยนั้นนะ่ะโดยจากพระพิมลธรรมนะวัดมาธาตตอนหลังถูกปลดแล้วก็มาถูกใส่ใหม่เอาไวา้สมณศักดิ์ขันใหม่แล้วก็สุดท้ายนี่ท่านเป็นต้นเด็จกุฏิอาจาร รองวัดมาไดาไปนิมนต์มาอาจารย์โชเนี่ยเป็นธรรมมาจาริยาเปนเรียกว่าทรงปฏิบดกมาจากพม่ามาเผยแพร่อภิธรรมแล้วเขียนตำราตำราอาภิธ ร, รมเป็นภาษาไทยมากมายหลายเล่มตำราที่ท่านแต่งอย่างเช่นท่านแต่งอภิธรรมคำพีที่หนึ่งในตอนท้ายท่านได้อธิษฐาน แต่งคาถาอธิฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นปัญญาทิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องหนา้านี่แปลว่าอะไรขอให้ข้าพเจ้าจงสําเร็จเป็นปัญญาทิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหนา้าท่านต้องการอะไรดู้ไหต้องการเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธาทิกะไม่เอาวิริยะทิกะไม่เอา เอาปัญญาดีกาซะด้วยท่านอธิษฐานอันนี้ควรเป็นสิทธ่ท่านอธิษฐานได้แล้วท่านก็เคยทดลองว่าอาธิษฐานจิตของท่าน้ํามั่นคงแค่ไหนเนี่ยนิ้วก้อยท่านขาดท่านเล่าว่าท่านเอามีดมาตัดถามว่าตัดทําไมตัดเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเรามั่นคงในอิีฐานไหม ยอมไหมก็ตัดชั่วเฉยดีใจได้ดนะังดีใจว่าตัวนะ่ะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่ตัดข้อเดียวนะน่าจะลองไป ห, หมดทั้งสามข้อเดีย๋ยว จ, จ, จะกลายเป็นอัตรกระมตาตัโยกไป และอีกข้อท่านอธิษฐานว่าขออย่าได้เป็นคนยากจนขัดสนในภพต่างๆที่ต้องเกิดตรงนี้นะเราอาจจะนึกว่าเป็นความโลภไม่เป็นนะครับเพราะคนที่อธิษฐานเพื่อความร่ำรวยเนี่ยความจริงก็อาจจะมีความโลภแบบถูกทำโลกธรรมะไม่จำหนิอันนี้ผมเรียนว่าธรรมะไม่จาหนิท่านทําบุญและอธิษฐานเพื่อร่ำรวยก็ไม่จำหนิ แต่ว่าไม่ควรจะอยู่แค่นั้นแล้วอย่างนี้เรารู้ได้เลยว่าทําไมท่านถึงกลัวความยากจนที่นั่งมีกลัวความยากจนไหมไม่กลัวเอาบางคนกลัววงคนไม่กลัวเอาก็รวยอยู่แล้วไปกลัวทำไม <c oughs> แล้วถ้าถามผมเนี่ยผมเองผมก็ไม่อยากจนอะ่ะแต่ไม่ได้แปล ว, ว่า อยากอย่าล่ำรวยปเป็นสถิติแต่หมายความว่าไม่อยากจะให้ถึงความปืดเคืองจนกระทั่งไอ้ความยากจนในมันมาเป็นอุปสรรคขัดขวางทาให้เรามาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาก็ไม่มีกาลังใจมีเรื่องจริ ง, รงที่นั่งอยู่ในที่ประชุมอย่างนี้เคยมีนะผมมีกำลังใจแต่มาตกงานไม่มีกาลังใจได้ไงใช่ไหมนะนั่นเรื่องความ ยากจนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าฐานะเดิมของอาจารย์โจนั้นท่านอดอยากยากจนแค่ไหนท่านถึงรู้สึกกระเทยใจเรื่องนี้แต่ในความปรารถนาของท่านเนี่ยท่านคงจะต้องมีความปรารถนาว่าจะอาศัยปัจใจสีที่ไม่ผุดเครื่องนั้นเป็นเครื่องอนุเคราะห์ลงมาจารย์ในการทําความดีนะนั้นถ้าเราอธิษฐานเพื่อความร่ารวยเนี่ยขอให้เติมความรู้สึกเข้าไปนิดนึงว่า เราจะได้ใช้ความร่ำรวยนั้นให้เป็นประโยชน์ในทางบุญให้ให้ใหแฝงแต่ผมก็เดียวว่าเราทั้งหลายที่มีความต้องการแจง้งเงียบหรือแจ้งชัดก็ตามเราคงมีความรู้สึกแฝงอยู่ในใจอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเหมือนกันและอีกข้อหนึ่งท่านปรารถนาว่าเมื่อยังไม่สําเร็จมรรคผลนิพพานขอเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผูดเจริญด้วยคุณความดีอันนี้ก็น่าคิดเพาะท่านไม่อยากแกเป็นคนชั่วมีใครบางอยากเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วตัวเองนึกถึงตัวเองแล้วก็หนแน่งคนอื่นก็มองตัวเองอย่างเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าเลื่อมใสไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วท่านก็ปราทานาดีและ อันนี้แปลกครับข้อสี่เนี่ยท่านปรารถนาว่าขอให้เป็นผู้มีญาณละลึกชาติได้ตลอดการอันนี้หลายคนไม่คิดผมก็ไม่คิดแล้วก็ถึงเห็นท่านปรารถนาก็ไม่ปรารถนาจะละลึกก็เอาแล้วไม่ละลึกก็ไม่เดี๋ยร้อนทําไมอ่ะท่านถึงปรารถนาจะละลึกชาติอท่านจะอันนี้ท่านอยากจะเป็นผู้ที่ มีกรรมสติกตาสัมมาทิฏฐิในหลักทิฏิสิทธิ์อย่างไม่อยากจะเสียที่เตียนนี้จะได้ระลึกชาติได้แล้วก็ไม่เกิดความมัวเมาลุ่มหลงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นพระโสดิสัตว์เคยระลึกชาติได้กี่ชาตินึงเป็นพระเตมีระลึกชาติได้ว่าตัวเองเคยไปตนนกนรกเพราะไปทําอะไรมาอยาเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากเป็นคนชั่ว ตัวเองนึกถึงตัวเองแล้วก็นายแหนงคนอื่นก็มองตัวเองอย่างเป็นคนที่ไม่น่ารั ก, ไ ม, รกไม่น่าเลื่อมใสไม่มีใครอยากมุงคนชัว่วในท่านก็ปรารถนาดีและอันนี้แปลกครับข้อสี่ท่านปรารถนาว่าขอให้เป็นผู้มีญาณ ล, ลึกชาติได้ตลอดกาลอันนี้หลายคนไม่คิดผมก็ไม่คิดแล้วก็ถึงเห็นท่านปรารถนาก็ไม่ปรารถนา แต่จะระลึกเอาแล้วไม่ระลึกก็ไม่เดือดร้อนทำไมฮะท่านถึงปรารถนาจะระลึกชาติท่านจะอันนี้ท่านอยากจะเป็นผู้ที่มีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิในหลักทิฏฐิสิบอย่างไม่อยากจะเสียทิียนนี้ จะได้ระลึกชาติได้แล้วก็ไม่เกิดความมัวเมาลุ่มหลงเหมือนอย่างพระพุศลเจ้าของเราตอนเป็นพระบริสัตธ์เคยระลึกชาติได้ยีชาตินึงเป็นพระเตมีระลึกชาติได้ว่าตัวเองเคยไปตกนรกเพราะไปทำอะไรมาชาตินี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่พ่อแม่อยากจะให้ได้ทำอย่างที่ตัวได้เคยทำมาแล้วก็เลยไม่พูดเลยทำตัวเป็นคนพิการพ่อแม่จะได้ไม่ ตังตัวเองให้ถึงฐานะนั้นและข้อหาเนี่ท่านปรารถนาว่าขอให้ขบัติเจ้าจงเป็นผู้มีความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาผู้ที่ควรเคารพนับถือกราบไหว้บูชานี่คือมงคลข้อที่หนึ่งกับสองนะข้อหนึ่งคือไม่โก ค, คนณปานข้อสองคือคบบัณฑิตอันนี้ท่านก็ปรารถนาเป็นกำลังของท่าน นั้น เ, เรื่องความปรารถนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความปรารถนาที่มีอยู่สองช่วงคือในสัมปรายกับภพความปรารถนาในในส่วนที่เป็นสัมปรายกับภพแล้วก็ความปรารถนาในส่วนที่เป็นอุดมสูงสุดของเราเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งความปรารถนาเป็นต้นๆตๆไปนะยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงอ่ อแม้แต่ทุกวันเนี่ยเราจะมีความปรารถนาจะขับรถออกจากบ้านทีเราอาธิษฐานได้ไหมเราควรอธิษฐานนะขับรถออกจากบ้านจะไปเจรจาธุรกิจเราควรอธิษฐานจะออกจากบ้านเราควนอธิษฐานแล้วผมนะผมทําประจําอย่างเคยเล่าให้ฟังนะเลายฟังหม่ บ้านที่ผมอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องออกทุกวันเนี่ยผมต้องยกมือฝ่าพราทุกวันแหละแล้วก็อธิษฐานโดยมีที่ตั้งว่าเอาพระพุทธพระธรรมมาส่งเป็นที่ตั้งเขาน่าจะแต่งให้หลาย ๆ, ๆเรื่องนี่ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนว่า เวลาก่อนที่ออกจากบ้านผมก็นโมตัสขาอะไรต่อะไรอย่างงี้ก่อนนะสามเที่ยวแล้วก็อพุทธทางประสิทธิ์และพุท ธ, ท, ธทางปกป้องทำมังรักษาสังขังปลอดภัยท่องสามเที่ยวนะแล้วก็ขอให้เทวดาจงรักษาเทวดาที่อยู่ที่นี่ก่อนออกจากบ้านผมจะยกมืออย่างงี้ทุกครั้งแต่ก่อนที่ยกมือต้องเดียวว่ามีใครมายืนอยู่ข้างหลังก <c oughs> <c oughs> ็โดยมากไม่มีอ่ะ เราก็ส่วนแล้วก็ส่งกระแสจิตควบคุมอันนี้อ้างเอาพุทธสกุลนมามกุลม ก, กุลแล้วของไม่เคยหายนะเราก็ยกความดีให้พระพุทธธรรมมาส่งไปบางทีไปสิบวันบางทีไปครึ่งเดือนนะเวลาไปเข้ากรรมฐ า, านไปครึ่งเดือนมันก็ยังอดห่วงไม่ได้คนระัแต่ว่าพอนึกถึงเกิดปริโพศเราก็ส่งกระแสจิตกลับมาดูแลอริษาแล้วก็สำรวจไปด้วยว่ายังอยู่ครบไหมนะ แต่ทีนี้ตอนอยู่กรรมฐ า, านในความรู้สึกมันบอกว่ายัางครบคือว่าสบายใจไปนะทั้งในครบสงสัยต้องคิดมากอยิ่งเอาตอนเอาคอมิตเตอร์ไปไว้นี่ยิ่งปริโท่เยอะเดี่ยวตอนไปเที่ยวหลังเนี่ยเดี่ยวเราไปฟังว่าไอ้ตอนตำรวจมีสํารวจรถกล้วยหายไปเรือครั้งหลังนะไอ้ใครกล้วยนี่ยควจริงเราไม่ห่วงอะเราให้เขาเลยอะ ใครมาขอเราก็ให้ขอซื้อเราก็ให้เลยตู้จักไม่จักเลยเนี่ยมันมีอยู่ตอนออกเนี่ยมันมีอยู่เครือกําลังแก่เราก็นึกว่าจะตัดไปให้คนอื่นยังไม่มีใครมาขอนะตอนนึนกว่าถ้าเขามาขอเราบอกเราจะให้คนอื่นก็แล้วก็ไปกรรมฐานกล้วยมีอยู่ติดทาง พอเกิดความห่วงบ้านขึ้นมาแล้วก็มองมีอะไรหายพอไปนึกถึงกล้วยกระจายหายไหม <c oughs> พอออกจากกรรมฐ า, านนะกระเป๋าวางหน้าบ้านนะผมเดินไปดูกล้วยก่อน <c oughs> <c oughs> พอไปถึงต้นกล้วยก็หายจริงๆอ่ะโดนโดนฟันต้นเหรอแล้วก็หายหายจริงๆแล้วเราดูว่าหายมากี่วันแล้วไอ้ ก, ก้านคือมันเหี่ยวพอสมควรมันคงหายตอนที่เรา เกิดปริพนแล้วก็ส่งจิตมาดูตอนนั้นนะพอดีพอดีกันหลังเล็กน้อยแ้วกว่าจะออกก็สิบวันที่เอ็ดวันแหม ล, ล, ลืมคุ้มครองกล้วยไหมคุ้มครองต่บ้านต่บ้านไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยไม่มีใครมาแต่ น, นี่ก็ดีเขาเอาไปแต่กล้วยนะนี่บางคนเขาบอกว่าเวลาผมไม่อยู่อะ เขาเคยเดินผ่านบ้านไรจงโวลียวเขาเห็นงูเหา่านะอีกคนหนึ่งก็บอกเห็นเขามองไปที่ไรถุนบ้านเห็นงูเห่ามันเลื้อยเข้ามาในบ้านผมก็บอกว่าผมไม่เคยเห็นนะตัวเขาบอกเขาเห็นพ <c oughs> มไม่รู้งูเทวดาเปล่านะแล้วก็นึกให้มันดีมันจะได้บำรุงกํบบลาลังใจเราขโมยจะได้ไม่กล้าเข้าบ้านแต่คนนั้นก็อุที่เขาเล่าเขาม่ได้คงไม่ได้เป็นขมโมยอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยครับ อย่างเนี้ยลราอธิษฐานเพื่อปกป้องภัยปกป้องภัยโดยเอาบุญเอากุศลนี่ถ้าเราจะไปทํากิจไปทํากิจอะไรสักอย่างนะถ้าอธิษฐานจะพาะหน้าเลยก็เช่นเช่นพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมนี่อธิษฐานแล้วก็ไปสู่ที่ทํากิจนั้นเวลาผมจะออกจากบ้านเนี่ยตอนอธิษฐานปก บ้องบางก็อย่างพอจะออกไปนอกบ้านเราก็ประสิทธิเมย์แล้วก่อนขอให้ประสบความสาเร็จสาเร็จตามความมุ่งหมายที่จะปืนไปประกอบกิจนั้นแล้วก็ออกไปเนี่ยในความจริงในะโบราณอาจารย์นั่นชายแม่กระทั่งจะลุกไปทํากิจจะเอื้อมมือไปทํากิจอันลีฐานให้สาเร็จคือที่สังเกตว่าที่เกิดพลังมากอันหนึ่งก็คือ ถ้าเราจะไปทํากิจใดเนี่ยคืนนั้นหรือเช้าวันนั้นเราทำสมาธิสมาทานทำทำสมาธินะ่ะโดยเฉพาะสมาธิเนี่ยมีพลังอย่างแรงเป็นพิเศษเลยอธิษฐานอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะไปทํากรรมฐานนะนี่นี่ผมพูดถึงตัวเองยกตัวอย่างให้ฟังทำถ้าจะได้ผลแค่ไหนนะ่าไม่ต้องพูดถึงอะ่ะ มันอยู่กับตัวเราวันนั้นเนี่ยผมจะต้องใส่บาทใส่บาทพระอย่างตั้งใจดีอย่างเตรียมการดีแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิสักหน่อยและอธิษฐานว่าอย่างไร อาทิษฐานเนี่ยแพร่สมงุศลเนี่ยเจ้า ก, กรรมในเวปรปุกบเขาจะไปกวนเราไปขัดขวางเราทำให้เราไปไม่ถึงห้ององมตะฐานหรือไปทําแล้วไปรบ ก, กวนเราในที่นั้นเราก็แผลจะได้ไม่ไปกวนแล้วก็ให้กับครูบาอาจารย์ที่เราได้เคยเกี่ยวข้องกันมาในบุริรรชาจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตาง ขอให้ได้รับสู่ในส่นี้หรืออาจจะมาเป็นมนุษย์เป็นปลาเป็นสงอยู่ที่ไหนแต่อาจจะรับกระแสเราได้ก็ขอให้ท่านได้รับและได้ให้พรให้กําลังใจสนับสนุนให้เราได้มีความเจริญงอกงามในธรรมที่เราจะไปประพฤติให้อยู่เป็นสุขให้อยู่สบายติดติฐานนี้แล้วก็ไปเออแล้วรู้สึกดีฮะใครจะเคยทําบ้างหรือเปล่าโหไม่รู้นะ แต่ผมทำอย่างนี้ไม่มีใครบอกผมบอกตัวผมเองนะใสความรู้ในธรรมะนี่เอามาใชา้รู้สึกว่าดีทุกครั้งเรียบร้อยดีมีความสุขไปแล้วก็ไม่ออกกลางคันไปแล้วก็ไม่ทุรนทุรายคิดจะกลับไปแล้วก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรต่างๆในระหว่างนั้นเออก็จะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าถ้าจะเลื่อในธรรมดีพอสมควรนะลองลองดูอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ จะแปลไปตามผิดตามเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบหรือกำลังจะทำไมย่ยืนตายตัวแต่อธิษฐานบางอย่างเป็นอธิษฐานที่เราต้องบอกตัวเองแบบตายตัวคือเป็นความประสงค์ความต้องการในระยะไกลที่เป็นอุดมคติอันสูงสุดที่ว่าทุกวันทุกครั้ง ที่มีการอธิษฐานเนี่ยเราต้องอธิษฐานบอกตัวเองอย่างนี้อย่างเช่นคนปรารถนาเป็นรู้โดยเจ้าอธิษฐานครั้งเดียวพอไหมพอไหมเลิกลืมไปเลยไม่พอต้องอธิษฐานทุกเมื่อที่นึกได้หรือเอาตามกาละโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเมื่อคือทุกเมื อ, องด้านก็คือทุกเมื่อเมื่อทําบุญเมื่อทําบุญนะ ทำบุญแล้วอธิษฐานและก่อนทำบุญก็เพื่อทำเพื่อหรือทำเพราะแปลงอธิษฐานอันนี้จึงทำบุญนีแ่แปลว่าไม่ไม่ลืมเลยเคลื่อนไหวในทางไหนเนี่ยนึกได้ก็ต้องอธิษฐานทำความปรารถนาแม้ปรารถนาเป็นอาศิติมาระวกเป็นอัครส า, าวกก็จะเป็นไปในจำนองเดียวกันอันนี้เราจะมาค้นกันว่าเราเนี่ยเรา ชั้นของการอธิานมีหลายชั้นเราเนี่ยอยู่ในชั้นไหนผมจะไม่ถามให้ยกมือก็ใครจะเป็นได้เจ้ายกมือขึ้น <c oughs> อาจจะมีก็ได้นะเพราะฉะนั้นความเจริญของคนเนี่ยมันมีจุดแยกด่างกันตรงนี้เองความประสงค์ในใจถูกนะั้มเราลองไปถามคนบ้านในค น, านคนบ้าคนเป็นโลกศาสไซด์ดูดิว่า มีความต้องการอะไรบางเขาไม่มีไปถามคนขี้เมามีไหมบอกมีใครมั่งต้องการอ่ะที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีแต่ความต้องการต่ำๆที่เป็นไปด้วยอํานาจของอาคุศนอกุสนนี่ก็เป็นความต้องการเหมือนกันอย่างที่ว่ามืวานคนอาฆาตคนอื่นเนี่ยอธิษฐานไหมอธิษฐานคนแข่งคนอื่นอธิษฐานไหมอธิษฐาน อย่างนี้เทียบเหมือนกับเราพูดสัมมาสมาธิกับวิชาสมาธิอธิษฐานนะท่านไม่ได้มีคำว่าวิชาอธิษฐานสัมมาอธิษฐานแต่เราก็พูดโดยความได้ว่ามีมิชาอธิษฐานกับสัมมาอธิษฐานนะโดยความอย่างเช่นว่าคนที่ทําวิชาอาคมเนี่ยเขาใช้หลักอธิษฐานเหมือนกันเอาอะไรที่มาทํากันตามแบบของเขานะแล้วก็อธิษฐานลงไป ยกตัวยอย่างเช่นจะ ท, ทําเสน่ห์บางทีใช้เม็ดสวาสด่านก็เรียกเม็ดเม็ดสวาสด่านไอ้ไอ้เป็นเม็ดของพืชชนิดหนึ่งชื่ อ, อนั้นน่ะติดสรมุดอ่ะแต่ติดแล้วก็ทําให้เกิดพลังแล้วก็เอามาอธิษฐานประจุอะไรใส่ลงไปประวักใส่หมั่นอะไับ้างแล้วก็ไปบกไดกระดาษหรือไปใช้วิธีอย่างอื่นก็ได้ทาความอธิษฐานว่าขอให้คนที่ได้สัมผัสได้เห็นได้ดื่มได้กิน ซึ่งของสิ่งนี้จงมีความพิศวาสไม่วางเว้นแก่เราผู้ทา <c oughs> <c oughs> หรือแก่คนผู้ที่เอาไปใช้นะผู้เดียวไปใช้แล้วโกนตามกวดดิลานอย่างนี้มันก็เกิดความเสียหายขึ้นแก่ตัวเองแก่บุคคลอื่นอย่างนี้เป็นวิจาเราเราไม่เอาถ้าเรารู้อนันนี้เราจะรู้สึกว่าแม้แต่ความคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องการมันแล้ที่มันเป็นความรู้สึกในทางชั่วนี่นะ นี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาจารย์โชยกตัวอย่างให้ฟังเอาอีกลายสุดท้ายเป็นคนรุ่นเราและเราทุกคนที่นี่น่า จ, จุดิอยากดีคือท่านสเสถียนโพดินันดะใครเคยอ่านหนังสือบางเรื่องเคย เ, คยเรียนด้วยใช่ไหมอ่าดีผมผมไม่ทันนะทันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสมาฟังตันตาย ไปก่อนอท่านเขียนไว้ในไทยหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเขียนคำอธิษฐานเอาไว้นะ่ะแม่รู้สึกว่ายาวหน่อยครับนี่ผมคัดมาเป็นข้อๆให้ฟังข้อหนึ่งอธิษฐานว่าขอความสุขจงมีแก่สรรพสัตว์แต่ผมว่าไป รวมๆไปเลยนะก็พระเจ้าปรุงสมบูรณ์มั่งคั่งโดยโภคทรพัพย์ในกระจัวกัวจนเหมือนกันเนยเอามั่งคั่งเอาร่ํารวยนะอ่ก็ไม่ปแปลรกระไไม่เป็นความโลภแล ะ, กะเกษมจากโรคาพญาธิในชาตินี้เทียวนี่เอาชาตินี้เลยนะนี่เป็นเป็นเรื่องยหนา ไ, ได้ทราบว่า อาจารย์ระเสียนนะเป็นคนหลภาพมับางทีดีเหมือนกันเป็นโรคก็เพราะหรืออะไรไม่รู้น ะ, ะก็ไม่รู้ว่าทันหายโรคหายหรือตัวหายไปก่อนก็ไม่รู้น ะ, ะแล้วก็ต่อบไปว่าอากุศลทรรมจงขาดจากสันดานของขปจาที่ต้องการปุณนกนิเลส ศรัทธาอย่างยิ่งขอให้พระเจ้าจงเป็นผู้มีศรัทธาอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เห็นว่าเป็นของที่ปรากฏจริงในปัจจุบันเป็นคนที่มีความรักเทิดทูนพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นอย่างยิ่งเท่าที่มีคนยืนยันว่าอย่างนั้นนะเป็นคนรักพระพุทธศาสนาและรักคนที่รักพระพุทธศาสนาอันนี้เห็นในปัจจุบัน หร อ, อาจจะเป็นผลจากอดิษฐานเมชากองก็ได้และต่อไปว่าขอให้เราเ จ, จา้าจุงเป็นผูขนขวายสั่งสมแต่กุศลเป็นทานบดีทานบดีแปล ว, ว่าให้ทานมือเติบพวกให้ทานมือเติบเป็นพวกทานบดีไม่ใช่พวกโกงมือเติบนะไอโกงมือเติบนี่มันลงกันก้ามกันคือเป็นนักให้ทาน แล้วจริงๆมหมเป็นคนให้ทานเก่งไหเก่งเป็นให้บริจาคหลายอย่างเลยทีเดียวนะเป็นคนที่ชอบตามทานคนขวายสางสมแต่กุศลแล้วก็ต่อไปบอกว่ามีคุณอเนกประการคือศีลสมาธิปัญญาในทุกภพศีลสมาธิปัญญาในทุกภพ แล้วก็ต่อไปบอกว่าได้อุปถากและบรรลุอรหัตผลในสมัยแห่งประสีอานเจ้า พ, าพา่อพระภักดีบอกว่าไงนี่ขอเป็นอุปถากแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์น้าคําว่าอุปถากนั้นจะมีความหมายว่าเป็นอย่างพระอนอนท์กรมัง ขอได้เป็นพุทธอุปถาเราก็บรุเฉพาะพระพักพระนอ น, นันตไม่ได้บรลุกเฉพาะพระพักนะบรรลุโสดาบันอะแล้วอรหันไม่ได้บรรลุกเฉพาะพระฟังบรุเมื่อไหร่บรรลุหลังนี่ไม่เอาเอาบรรลุตอนนั้นเลยแล้วอุปถาด้วยนั้นผู้นี้เท่าก็ได้กล่าวได้ว่าปราธนาเป็นพุทธอุปถาก ในสมัยพระสีอ่านแต่ว่าพูดถึงอย่างเราๆเนี่ยอย่างผมผมไม่กล้าระบุองค์พระพุทธเจ้าก็อยากมาร่วมกันแต่ว่าไม่ใจรอดคือรอนแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะล้วก็เมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นก็สาคัญคือในระหว่างที่เรายังไม่บรรลเนี่ยครับว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรเราอยากจะเป็นคนมีนิสัยใหญ่กองไง มีความต้องการความสามารถยังไงอันนี้เราเราสามารถที่จะเขียนบอกตัวเราเองได้แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากอันนี้เป็นอธิษฐานให้กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่แล้วยังอธิษฐานอย่างโบราณอาจารย์ว่าขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอันนี้มีความหมายว่าขอให้บรรยากาศฤดูกาลเป็นหมุนเวียนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ พกะฝนทำไมก่อนสำคัญนะสังคมงเกษตรเป็นการปรารถนาเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและสุดท้ายท่านปรารถนาว่าขอให้พระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ชัวาศาศาศาช่ ว, ก า, วการลราบวสาหะชั่วการชั่วการลาบวสารนี้ก็เป็นคำพูดไปงั้นเองอะ ถึงหมายความว่าขอให้มั่นคงให้อยู่จนถึงตลอดอายุไขของศาสนาเหมือนคนขอให้อายุยืนชั่วนิรันด์ก็นิรันด์ไม่ได้เป็นเพียงความปรารถนาขอให้เขายั่งยืนที่สุดมีความหมายว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของอท่านอาจารย์เสถียรโพธินันท่าผู้ล่วงลับไปตั้งแต่ปีพศสองพันหนึ่รอยเก้าอันนี้เป็นคาของท่านความจริงเราก็ไม่ รู้กันนะฮะว่าที่นั่งๆยู่นี่มีใครอธิษฐานอย่างระยะไกลๆอย่างนี้ว่าอย่างไงก็คงจะมีบางคนอาจจะอยากจะเป็นพุทธสาวิกาเลิกในทางฤทธิ์อย่างนางอุบลวันนาเสรีก็เป็นไปได้คือในทางฝาสนานะถือว่าทุกคนนควรจะต้องมีอะไรสำหรับตัวเองอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วมั น, ม, นมันเหมือนเวิงว่างว่า ง, างเปล่า แต่ถ้าธิษฐานนันเนียันเป็นพนลังอันหนึ่งนะเราสังเกตว่าเวลาที่เราเรานั่งสมาธิท่านนั่งแล้วไม่ได้อธิษฐานร่วงหน้าว่าเราจะนั่งกี่นาทีกี่เจ้าโมงมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีพลังมั่นคงแล้วที่ควรไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่านะแล้วก็คนทําสมาธิในทางศาสนาเนี่ยทํากรรมฐานทําสมาบัรราระคาบ ไม่มีเลยครับยิ่งชั้นสูงเนี่ยไม่มีการทําำนึกจะทําก็ทําทํานึกจะเลิกมาหลยก็เลิกไม่มีอ่ะจะต้องมีการอธิษฐานหลายๆอย่างและอย่างหนึ่งก็คืออธิษฐานว่าจะยั่งอยู่ในสมาธิกี่วันกี่ชั่วโมงต้องมีอธิษฐานอย่างนี้ใช่ไหมมีมีกําหนดกี่การอย่างนี้มาพูดกันสองชั่วโมงนี่ก็มันมันเป็นลูกของอธิษฐานเหมือนกัน ตกลงกันว่าเราจะพูดกันเท่านี้ถึงไกยๆอนะแต่เราไม่ถึงกับอธิษฐานหรอกขอให้ข้าพาเจ้านี่จงพูดในสองชั่วโมงไม่เป็นลมลมพับไว้ล้วก็อหรือขอให้ข้าพเจ้าจงฟังได้ตลอดอย่อย่าได้มีเหตุเพศไฟเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้อธิษฐานแต่ว่า้รูปรอยมันก็เหมือนเราตกลงเป็นข้อตกลงระหว่างกันกับตัวเองด้วยหึงไม่ไม่ออกไปเปรียบปฏิฐานชัดเจน นี่ก็เป็นเป็นเรื่องการอธิษฐานที่มีทั้งระยะไกลลักหรือระยะไกลยอย่างที่ว่าอาธิษฐานที่พูดไว้ในพระพุทธศาสนาแบบครบทั้งหมดเนี่ยผมจะแจ้งให้ฟังดังต่อไปนี้นะเป็นความรู้ในทางหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด ว่าหนึ่งอธิษฐานที่ปรากฏในในที่หนึ่งกรณีหนึ่งคืออธิษฐานที่เป็นบารมีอธิษฐานที่เป็นบารมีซึ่งเบื้องสูงสุดก็คืออธิษฐานบารมีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ประนานเป็นพระพุทธเจ้าเรียกก็เป็นอธิษฐานบาร ม, าารมีที่เราได้ยินกระเจาะพระพุทธเจ้าแต่ถอยลงมาจาก ผู้ที่ปรารถนาเป็นพิะเจ้าก็เป็นอธิษฐานบารมีเหมือนกันเช่นเราอธิษฐานเพื่อเป็นอะไรในขั้นสูงสุดที่เป็นอุดมสูงสุดของความมีความเป็นในชีวิตซึ่งมันไม่ได้หมายสูงสุดในชาตินี้นะหมายถึงเราในอยากจะเป็นอะไรเช่นอยาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรืออยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระอัครสาวกซ้ายขวา หรืออยากจะเป็นพุทธบริษัทในาาฐานใดาฐานห้าดฐานะาหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะปรารถนากันอันนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีมาในในความหมายอันนี้ในกลุ่ม น, นี้ทีนี้อธิษฐานบารมีในลักษณะสูงสุดอย่างนี้เท่าที่เห็นในตัวอย่าง ตามประวัติของพระบุตธเจ้าก็ดีพระสาวกในประเภทต่างๆก็ดีจะต้องอาศัยบุคคลรุ่นเก่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะหมายความว่าอย่างพระสาริบุตรเนี่ยท่านปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาไม่ใช่อยู่ๆท่านปรารถนาเองท่านไปเห็นพระบุทธเจ้าองค์อื่นตั้งพระอัครสาวกองค์อื่น ไว้ในฐานะเป็นอาัคารสาวกเบื้องขวาท่านก็อยากจะเป็นบ้างนางวิสาขาเองก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นตั้งองค์อื่นอนาถาบินติกะก็ดีพระเทระองค์อื่นก็ดีเอาคนอื่นเป็นตัวอย่างฮะทีนี้อย่างเราเนี่ยเราเห็นใครเป็นตัวอย่างอย่างเห็นพระพุทธเจ้าตั้งใครเป็นตัวอย่างอย่างอย่างแต่เรานะ่ะอาศัย สองกระแสคือหนึ่งบางคนนั้นเขาปรารถนามาตั้งนานแล้วและในช่วงนี้เขามีความากําลังสร้างบารมีอยู่เขาก็เลยยังปรารถนาอย่างนั้นอยู่อีกกรณีหนึ่งก็คือการศึกษาพุทธานุพุทธประวัติเราก็พบว่าบางคนนั้นมีความเลื่อมใสในประวัติของพระบางองค์ ยกตัวอย่างเช่นบางคนนั้นเลื่อมใสในประวัติและผลงานของพระกุมารกัตศพที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางการกล่าวถ้อยคำด้วยวิจิตก็มีความปรารถนาอยากจะเป็นอย่างนั้นอธิษฐานขอเป็นอย่างต่านบางคนก็ไปอ่านประวัติของพระสารีบุตรอ่านผลงานของพระสารีบุตรก็อยากจะเป็นอย่างพระสารีบุตรก็ดิษฐาน ขอให้ได้เป็นอย่างรัศดิบุตรในพระวุฎิเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งกั้งหน้าไม่กําหนดองคนก็อาจจะกําหนดอย่างที่อาจารย์ตะเตียนท่านปรารถนานะแม่นี่ผมเกรงใจไม่งั้นก็จะให้ลองถามกันดูว่ามีใครมาเล่าตู่กันฟังนะค์จะหน้านโนโธนาแต่ว่าในสังคมเราเนี่ยมีมากแม้พระบริสัทธ์ก็มีมากที่ปรารถนาเป็นพระบ้างเป็นโยมบ้าง แล้วก็เป็นอัครสาวกหรือมีท่านปรารถนาท่านบอกบางทีท่านอาจจะไม่พูดในที่ประชุมแต่ว่าบางทีเรารู้กัอนอี่ยวพระโพธิสัตว์เี่มีหลายองค์เป็นพระที่ท่านรู้จักบ้างก็มีผมรู้ยนรู้จักมาที่มีชื่อเสียงนะที่ไม่มีชื่อเสียงก็มีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์จะอาจจะสอบตกบ้างสอบไม่ตกบ้างก็อาจจะเป็นไปได้ แล้วก็อัครส า, าวกเบื้องขวาก็มีในปัจจุบันเนี่ยเช่นใครอยากจะเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวามีคนท่านเพิ่งเสียไปอาจารย์บุญมีนี่ท่านไม่ได้พูดในที่ประชุมนะฮ่าเสียไปแล้วสองสามสัปดาห์นะนท่านท่านปรารถนามานานอันบอกว่าท่านอยากจะเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวามีบัญญามาก ก็ขอให้ท่านประสบความสาเร็จเราไม่ขัดข้องเพราะว่าไม่มาจั่วไพ่ใบเดียวกันบางคนก็ไม่กล้านะไม่กล้าแหมรู้สึกว่าสูงไปสูงไปนะเอาแค่ขอให้ได้บรรลุวันนี้พรุ่งนี้เป็นรบลงพระอรหันต์ให้บรรลุเข้านิพพานเบอร์ไม่อยากจะไปปรารถนาอย่างนั้นพวกที่อยากจะปรารถนาเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ เป็นเรื่องศรัทธานหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องกรุณานหนึ่งกรุณาหมายถึงอยากจะสงเคราะห์ผู้อื่นศรัทธาหมายถึงอยากจะช่วยพระพุทธเจ้าอยากจะได้พบพระพุทธเจ้านะแล้วก็เพราะศรัทธาตัวบุคคลที่เป็นแบบอยา่างก็เลยอธิษฐานเนี่ยนี่เราจะมาในอธิษฐานบารมีมาในชุดของอธิษฐานบารมี อธิษฐานอีกอย่างหนึ่งเป็นอธิษฐานที่เกี่ยวกับความสำเร็จในเบื้องสูงแล้วท่านเรียกว่าอธิษฐานอิทธิอธิษฐานอิทธิคือเบื้องสูงได้แก่เป็นฤทธิ์แต่อย่างเรานั้นต้องถอยความสำเร็จลงมาเป็นอย่างธรรมดาคือ อย่างการณีของพระจุลปันทกพระจุลปันทกนท้านอธิษฐานตัวท่านเองเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะอันนั้นจะเรียกว่าอธิฐานดีอดอธิษฐานขอให้มีระรูปลางหน้าตาเหมือนกันบางองค์ก็กวาดวัดอยู่บางองค์ก็บักชุนจีวอนอยู่เต็มวัดไปหมด อย่างนี้เป็นอธิษฐานดีติคือทำให้เกิดความสาเร็จในทางริษขึ้นแล้วก็ที่เมื่อวานเล่าถึงพระอรหันต์บริณีพานด้วยประการต่างๆนั้นก็เป็นอธิษฐานเหมือนกั น, นอธิษฐานดีติหรือบางทีก็ท่านบอกว่ามีเทวดาเนี่ยมาอธิษฐานเหมือนอย่างตอนที่พระบุติเจ้าบริณีพานแล้ว ยกขึ้นสู่เชิงตะกรแล้วแต่พวกมัลละปามโมกกษัตริย์มัลละปามโมกไม่สามารถจะจุดไฟติดได้เพราะอะไรเพราะเทวดารู้ว่าพระมหากัะสปะกำลังเดินทางมาจะถึงแล้วอยากจะให้ท่านทันเผาศพหรือทันตะวันระเลิง ก็เลยอธิษฐานไม่ให้ไฟติดจุดเทลอยก็ไม่ติดแล้วพอพระมหาการสป่ามาถึงพระพุทธเจ้าโดยทรงเหยียดพระบาเหยียดพระบาทท่านไม่ได้เหยียดแล้วบอกเทวดาบันดาลให้เป็นไปเป็นเทวิาที่อธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นอันเทวดาเขามีฤทธิ์โดยกําเนิดเป็นเทวิาถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีคุณล้มบัติในทางสมาธิตึงอธิษฐานให้เกิดความสําเร็จอย่างนี้ได้ นี่ในข้อนี้ถ้าเราเอามาใช้เราน่ใช้บุญใช้สัตจ่าใช้อะไรเป็นอิทธินะเป็นอิทธิอธิษฐานเพื่อให้เกิดความสำเร็จซึ่งมันเอาแน่ไม่ได้ถ้าเป็นระดับอย่างเราทำเพราะอะไรเพราะว่าเราเองนั้นเราอาศัยบุญกิริยาในส่วนธรรมดาธรรมดา ไม่ใช่บุญกิจยาเบื้องสูงนะถึงจะมีสมาธิสมาธิก็ยังไม่ได้ฌา น, นความสำเร็จก็อาจจะไม่ทัน ท, ท่วกทีหรือไม่สำเร็จทุกเมื่อเหมือนอย่างผู้ที่มีบุญกิจยาเบื้องสูงและเป็นบุญที่ได้ที่ที่สมบูรณ์แล้ยนี่เป็นอันหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานอีกทีอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่า อธิฐานนวสีอธิฐานนวสีหมายถึงความชำนาญในการอธิฐานเข้าอยู่ในสมาธิเรียอธิฐานวสีได้แก่คนที่เมื่อจะเข้าฌานก็ทำการอธิฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจง เข้าอยู่ในฌานได้นานเท่านั้นเท่านี้นะนานกี่ชั่วโมงกี่วันก็ตามก็สามารถที่จะทำได้และในระหว่างนั้น เ, เหตุเพศภัยต่างๆก็ไม่เกิดกับท่านไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านถอยออกมาจากฌานได้อย่างนี้เรียกอดีฐานนวสีและตรงนี้นะฮะที่เราในระดับเราเอาไปใช้ก็คือว่าเมื่อเรา ไปทำสมาธิเราก็จะมีการอธิษฐานกันอาจารย์ก็าจะสอนนี่นะอธิษฐานว่าขอให้ได้อยู่ในสมาธินานเท่ า, ท า, ท า, ทานั้นเท่นี้อันนี้เป็นสิ่งควรทำครับมันไม่ใช่อัตตางอัตตาเลยหรอกเพราะเราทำเนี่ยเราก็ทำไปตามกระแสของเหตุปัจจัยที่ควรจะทานั้นพระบุตรเจ้า mm hmm. ในคืนที่ท่านตรัสรู้ ท่านอาธิษฐานอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่อธิษฐานอย่างรุนแรงแจ้งชัดเราไม่กลา้าเราไม่กลา้าที่ว่าเออเข้ากรรมฐ า, านวันแรกเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุวันนี้จะไม่ยอมลืมตาวอย่งางวันเราไม่กลา้าคือเรื่องอ่าอย่างนี้เนี่ยคนจะอธิษฐานได้แค่ไหนเขาจะมีความรู้สึกช่างใจรู้ในใจว่าได้ไม่ได้จริงไหม มีลาดเรามีบเบาะแสให้รู้ว่าได้ไม่ได้ไม่ใช่ไปปูบ ป, ปรับอธิษฐานเอาชุยชุยก็ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าที่ท่านกล้าอธิษฐานว่าถ้าคืนนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทียาณท่านจะไม่ลุกจากอาสนะนี้เลยจะยอมตายอธิษฐานแล้วท่านก็บรรลุได้ มีแสดงให้เห็นว่าต้องมี อ, อะไรที่ท่านสัมผัสได้ว่ามีทางเป็นไปได้ดังนอย่างเราเนี่ยเราจะอธิษฐานแค่นั้นเราต้องอธิษฐานตามพื้นที่มันจะเป็นไปได้อย่างเช่นเราเราอธิษฐานว่าในไหนมานั่งฟังแล้วก็จะขอฟังให้ตลอดทั้งสองครั้งในไหนพูดแล้วก็จะพูดให้ตลอดทั้งสองครั้งอย่างนี้เป็นไปได้ใช่ไหมแต่เราจะกล้าไมว่า ทุกเรื่องที่ฟังเนี่ยทุกเรื่องที่พูดเนี่ยเราจะต้องทำให้ไรหมดเรายังไม่กล้าไม่กล้าเลยไปถึงขั้นนะต้องให้ฟังจบ ก, ก่อนแล้วก็มาดูที่ว่าอันไหนที่เราจะทำได้เราก็ทำอันนั้นนะอันนี้ก็มันเป็นเป็ น, ป น, ปนขั้นตอนแล้วก็อยู่ในจังหวะโอกาสที่เราจะทำได้แค่ไหนความรู้สึกเราเนี่ยจะเป็นตัว ร, รับประกันจะบอก เราก็อธิษฐานไปแค่นั้นนี่ถ้ามันเป็นระยะไกลนี่ไม่เป็นไรอธิษฐานระยะไกลอ่ะไม่เห็นเดือดร้อนเพมันเป็นเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อเราอยากดีเนี่ยอยากเป็นคนดีอธิษฐานทำบุญแล้วอยากเป็นคนดีทุกคนอยากได้ทนะั้งนั้นอยากอยากดีเลยทั้งนั้นแหละแต่มันจะได้วันนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้ไปเร่งวันเร่งคืนเพียงแค่อยากดีให้บุญ ชักนำคุณความดีเหล่านั้นมาให้เราเองอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ที่มีความถูกต้องแล้วนะครับที่อาจารย์สอนกรรมฐานหลายๆที่สอนให้อธิษฐานจิตก่อนเข้าเนี่ยก่อนเขา้าขอเราจะนั่งให้ได้เท่านั้นเท่านี้เช่นว่าสมมตินั่งเช่วโมงหรือเดินเช่วโมงเดินเดินจงกลมนะ แล้วก็บงทีอธิษฐานเรขอให้ได้บรรลุธรรมวันนี้ไม่ได้บังคับนะเดี๋ยวจะหาบังคับขอให้ได้บรรลุอธิษฐานขอให้บรรลุแต่อธิษฐานสิบทีก็อาจจะยังไม่บรรลุแต่เราก็อาจจะได้เท่าที่ได้เท่าที่ได้หมายความว่าอาธิษฐานบางทีก็ได้ความเจริญในธรรมเท่าที่ได้ในแต่ละครั้งแต่ละโอกาส อันนี้เป็นสิ่งควรทำและวิธีอย่างนี้ในสมัยเอพุทธกาลหลังพุทธกาลเนี่ยเราจะพบว่าพระที่ได้รับความสําเร็จเนี่ยได้รับความสำเร็จในทางปฏิบัติเนี่ยอธิษฐานกันทั้งนั้นเลยฮะ mm hmm. ผมผมยกตัวอย่าง mm hmm. บางองค์ท่านเดินจงกรมและท่านอธิษฐานว่าท่านจะเดินจงกรมจากที่ต้นทางจงกรมไปสู่ปลายทางจงกรม ขอใหส้สติของท่านจงเกิดต่อเนื่องสตมชิญญาจงเกิดต่อเนื่องอย่าได้ตกหายหกตกหลน่นแม้ ใ, ในเก้าหนึ่งหรือครึ่งกา้าถ้า ส, สติหาย ห, ายหกตกหลน่นเมื่อใดท่านตั้งสัสตว์กระตัวทันว่าท่านจะเดินกลับมาตั้งตนใหม่อาเมื่ออธิฐานแล้วก็เดิน ปรากฏว่าลองอธิษฐานอย่างนี้เขาแล้ ว, อวลาาอลไอ้ความสาเพล่ามันน้อยลงใช่ไหมฮะความสาเพล่ามานน้อยลงเดีวคืนเรากาหนดไม่ดีสติเดี๋ยวก็ต้องเดินซ้ำเดินซ้ำเออผมเคยเอาไปใช้เมื่อนานมาแล้วในเวลาปฏิบัติอธิษฐานคุมตัวเองว่าเวลาเรานอนล้มตัวงนอนเนี่ยนะ เราอาธิษฐานสัญญากับตัวเองตั้งใจกับตัวเองว่าถ้าเราเผลอสติเมื่อไหรเราจะลุกทันทีมันกลัวไม่ได้นอนครับก็เลยกํํากาหนดจนทั้งหลับไปอที่ที่ไปทําตอนนั้นกาหนดท้องปองท้องยุบเนี่ยไ ป, ปสำนักหนึ่งพอจะล้มตัวนอนแล้วบออธิษฐานว่าเราจะกําหนดทุกลมหายใจเข้าออกทุกปองท้องยุบ ถ้าเผลอมาอไหลเราจะต้องลุกเผลอกลางเดียวก็ต้องลุกเอมันไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้อธิษฐานมันเผลอบ้างอะไรบ้างไอ้กิเลสมันคงกลัวนะ ก, กลัวไม่ได้นอนเออก็ได้ได้ได้ผลดีเหมือนกันจึงเป็นเป็นตัวควบคุมตัวเองที่เห็นน่าแปลกอันนี้เป็นการอธิษฐานในทางการปฏิบัติ ให้เราทําสิ่งนั้นให้ได้และควบคุมให้ได้ทีนี้ก็มีปัญหาว่าอถ้าอย่างเราเนี่ยบางทีอธิษฐานแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้อย่างนั้นเสมอไปนะฮะ <S <S เช่นว่าบางคนอธิษฐานว่านั่งเยาวโมงพอนั่งนั่งไ ป, ปงงแล้เอมันฟุ้งซ่านก็เลยลุกเลยอันนี้เราต้องค่อยๆผ่อนลงมา เราอย่าไปสัญญาว่าเราจะไม่ฟุง้งอันนี้เราต้องดูลาดเราตัวเราก่อนนะอย่าไปตูมตามบูมบามอริษานเอายอดเลยมันอาจจะทำให้เราเสียคนได้เราอาจจะอริษานเอาเอาแล้วเมื่อ น, นั่งแล้วเราจะไม่ลุกเลยเอาแค่นี้ก่อนแต่ยอมว่าฟุ้งได้ฟุ้งเราไม่ว่าขคยาบใครเยื่อนเราไม่ว่าแต่อย่าลุกนะลุกลุกต้องเกิดเรื่อง ขยับได้นี่สมมุติว่าไปครั้งแรกๆนี่แ้่แค่นี้เราทําได้ใช่ไหมเราไม่ลุกพอเราทําได้เออเราไม่ลุกได้ต่อไปเราก็ค่อยๆขยับการในดิษฐานลงไปอีกนิดว่าเราจะไม่แม้แต่ขยับนี่สมมติเนี่ยนะแม้แต่ไม่ขยับขยับหรือไม่ลืมตาก็กได้ไม่ลืมตาอันนี้ง่ายหน่อยพอไม่ลืมตาได้ก็ไม่ขยับ พอไม่ขยับได้เราเห็นท่าว่าเราเนี่ยสามารถที่จะคุมจิตเอาไว้ได้ไอ้ที่คุมไม่ได้เราสังเกตว่าเพราะเราอ่วิญยาณอ่อนต้องขี้เกียจไม่ใช่เพราะเราทําไม่ได้เรารู้อย่างนี้เราก็อธิษฐานกํากับความขี้เกียจ อ, อธิษฐานว่าเราจะไม่ปุ้งซาน เราจะทําอย่างอย่างดีเอาที่เราเห็นว่าเราสามารถจะทําได้แล้วก็ควบคุมตัวเองแล้วก็สัญญาตั้งข้อแม่กับตัวเองมุดว่ามันเกิดฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเราจะจะลงโทษตัวเองยังไงนะลงโทษด้วยการทําความดีไม่ใช่ลงโทษอย่างอื่นนลงโทษให้มันได้กําไรเช่นว่าเราจะต่อไปอีกห้านาทีถ้าฟุงาฟ้งดีต่อห้านาทีฟุ้งทีต่อห้านาที อย่างนี้นะเรวก็ลงโทษไอ้ลงโทษที่เหมือนในทหารเขาลงโทษทหารช่ากละทวนให้วิทย์พื้นเมืองเราเขเป็นกำไรเป็นความดีไม่ใช่ลงโทษให้เสียหาย อ, อันนี้เรียกว่าอาธิฐานนาวสีเรียกอธิฐานวสีนะอธิฐานอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอาธิฐานนธรรม อธิฐานธรรมอันนี้มีปรากฏธรรมะในทางปฏิบัติเรียกว่าเป็นอธิฐานที่เป็นข้อธรรมพระสรัลบุตรได้แสดงแก่พระภิกษุทั้งหลายในสังคีติสูตรในพระไตปิฎกเล่มเล่มที่สิบหรือที่แปดเนี่ยนะเรียกว่าอธิฐานนาธรรมอธิฐานนาธรรมนั้น ได้แก่ทำที่เกี่ยวกับการตั้งจิตมั่น4ี่ประการ 1. ปัญญาที่ฐานคือการตั้งมั่นด้วยปัญญาความตั้งมั่นของปัญญาเรียกว่าปัญญาที่ฐาน 2. การตั้งมั่นด้วยความจริงเรียกว่าสัจจาที่ฐาน 3. การตั้งมั่นด้วยการบริจาคเรียกว่าจาราดีฐานและสี่การตั้งมั่นด้วยความสงบเรียกว่าอุปปัต ส, สมาธิฐานเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับสติปัฏฐานคือสติที่มั่นคง การเจริญสติหรือการทำสติให้มั่นคงเรียกว่าสติปฐานสิ่งที่เป็นที่มั่นคงของสติก็เรียกว่าสติปทานนี่ปัญญาที่มั่นคงเรียกว่าปัญาป ญ, ญาที่ฐานเนีเป็นอธิฐานในทางนีน้ก็เป็นข้อธรรมที่เราเจริญปัญญาทำปัญญาให้มั่นคงนะเป็นอธิฐานแล้วโดยปริยายแล้วอันนี้อันนี้เห็นเป็นเรื่องของโดยปริยาย อย่างที่ว่าคนบางคนทำไมถึงมีขวัญมีกำลังใจที่มั่นคงนี่มันก็เกิดจากการที่เขาสะสมอบรมมานะฮะคนบางคนทำไมถึงมีปัญญาที่มั่นคงยกยกตัวอย่างว่าถึงจะไปอยู่ในหมูนักปราปัญญาก็มั่นคง ถึงจะมีผู้คนมาปังกันเป็นพันปัญญาก็มั่นคงถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยปัญญาก็มั่นคงปัญญาไม่คลาดเคลื่อนไม่ถอยกลับไม่หวั่นไหวเนี่ยเพราะเขาอบรมปัญญามาอย่างดีปัญญาจึงมั่นคงแล้วก็การบริจาคแล้วก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่มั่นคงบางคนมั่นคง แค่เห็นสองกระถินเนี่ยผาวาแล้วใช่ั้ยเป็นลาหน้าการะถิน โ, โอ้ยภาวาเลยเห็นสองกระถิน่นแต่บางคนทำไมถึงมั่นคงมากเราถ้าเรายกโดยอย่างชัดๆหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของหลวุพ่อเจ้าแหมท่านมั่นคงเหลือเกินขออะไรก็ได้เราพูดได้ว่าการให้ทานอย่างให้ทานส่งเดชเนี่ย ในบางระดับนี่ไม่ถูกอะแต่บางระดับนี่ให้ทานสองเดชเนี่ยเป็นเป็ น, ปนพอปัญญามั่นคงเป็นเครื่องอนุเคราะห์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยชูโชกมาขอสองกุมานท่านไม่เคยถามว่าขอไปทำอะไรขอไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรทำไมถึงมาขอไม่เคยถามเลยคนขอเป็นลูกตาวเหล่าใครอายุเท่าไรแล้วไม่เคยถามไม่เคยอ่าน ใบดีก่าไ ม, ไม่ไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าให้โดยไม่พิจารณาด้วยความโง่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะนี่ในขั้นสูงๆแบบไม่ใช่ <c oughs> เพราะท่านนี้ท่านรู้ว่าท่านใน ม, มีหน้าท่านต้องการอะไรความต้องการของท่านแล้วรู้ว่าความต้องการนี้จะสาเร็จได้ด้วยอะไรอันนี้เราเป็นปัญญาแล้ว เมือเราเข้าใจในบุญในแตไรแล้วเนี่ยแม้แต่ให้เหมือนไม่ฉลาดก็เป็นความฉลาดเพราะฉลาดมากให้ไม่ฉลาดให้เหมือนไม่ฉลาดก็เป็นความฉลาดพระโพธิษัท์ถึงเป็นอย่างนั้นไม่ต้องพิจารณาส่วนอื่นแต่ถ้าระดับธรรมดาเนี่ยต้องพิจารณาถึงเพราะเราไม่มีอุดมการไม่มีความมุ่งหมายในใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เราจึงต้องอาศัยการพิจารณาจึงเกิดปัญญาขึ้นอันนี้เป็นอย่างนี้ให้ทรงเดชแล้วไม่มีปัญญาดนั้นคนที่แม้แต่ถูกหลอกก็ยังให้เนี่ยนั่นแนหะรู้ว่าหลอกก็ยังให้ยังแจ่มชื่นแล้วมีครอบลาลบอย่างอื่นที่จะทำให้ปัญญาเกิดแล้วก็ให้เหมือนกับคนโง่ขาวให้คนอื่น โดยถูกหลอกถูกต้องอาการกริยาเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งเป็นปัญญาอีกคนหนึ่งไม่เป็นปัญญาเรื่องจากเรื่องจากค่าเรื่องการบริจาคเนี่ยความมั่นคงก็ต่างกันผู้ที่เป็นฐานบดีมั่นคงแล้วก็อุปสมาทีิฐานคือความมั่นคงในความสงบระงับ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 เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้น